สสุทธกาละกะสิกขาบท 35. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขี่ถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุขฉับพักขีใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนในสุทธะกาละกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน